อยู่กันชิวๆรักกันนานๆต้องทำไงถึงจะเข้ากันได้ปรับตัวเข้าหากันอาจรู้สึกฝืนใจรู้สึกไม่เป็นตัวเองหันด้านหวานเข้าหากันอันด้านดีเข้าหากันจะรู้สึกง่ายขึ้นไม่ต้องฝืนใจแปลงร่างทุกคนมีด้านเสียหรือไม่ก็ด้านที่อีกฝ่ายไม่ชอบ เป็นไปไม่ได้ที่ใครจะดีไปหมดน่าชอบใจไปหมดการครองคู่คือการเลือกแล้วว่าต่างฝ่ายต่างมีด้านดีพอจะช่วยให้รู้สึกอยากมองข้ามข้อเสียโอวาสในงานแต่งให้ทั้งคู่ปรับตัวเข้าหากันฟังแล้วเหมือนที่แท้ต้องฝืนใจกลายเป็นใครอีกคนแต่ถ้ามีแนวทางที่ชัดเจนว่า ให้ปรับตัวด้วยการหันด้านดีเข้าหากันอันนี้เหมือนน่าจะฟังง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ฟืดไม่ฝืนสักเท่าใดขอให้สังเกตว่าคู่ที่อยู่กันนานยังเป็นสุขคือคู่ที่ยังคงรักษามุมมองดีๆไว้ได้รวมทั้งตั้งใจหันแง่ดีเข้าหากันไม่เลิกนับจะเลือกพูดเรื่องที่คุยกันออกรถ เรื่องไหนคุยแล้วขัดคอก็ไม่ต้องยกมาคุยเลือกเที่ยวที่แฮปปี้ด้วยกันทั้งคู่ที่ไหนไปนแล้วอีกฝ่ายเซ็งก็ไม่ต้องไปและอื่นๆปัญหาคือเมื่ออยู่ด้วยกันจริงข้อเสียที่ทำเป็นหรีตามองข้ขามๆไปในช่วงแรกมันรบกวนจิตใจเกินทนหรือเปล่าแง่ดีที่เคยมีให้เห็นมันหรีแสงสแสดงตัวน้อยลงแค่ไหน ความตั้งใจเลือกแต่ด้านดีด้านที่เข้ากันได้มาให้กันและกันไม่ใช่เรื่องน่าฝืนใจเรื่องน่าฝืนใจคงอยู่แค่ตอนที่รู้ตัวว่ากำลังอยากหันแงร้ายเข้าใส่อีกฝ่ายตรงนั้นหละห้ามใจได้ไหมเช่นพูดคำที่รู้ทั้งรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ชอบฟังตั้งฉายาบองบองให้อีกฝ่ายแสลงหูเล่น ตูบบุหรี่ในห้องทั้งที่รู้ว่าอีกฝ่ายรังเกียจและอื่นๆถ้าห้ามใจได้อันแต่แง่ดีที่รู้ๆอยู่ว่าอีกฝ่ายชอบก็กลายเป็นความเคยชินใหม่แล้วแปลเป็นชีวิตดีๆอีกแบบที่ช่วยให้อยู่กับใครได้ชิวๆเนิ่นนานไม่ใช่อยู่ไปกัดฟันกรอดไปภาวนาไปว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาพ้นทุก์เสี้ที